เรื่องภิกษุณีรัฐสีข้างสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ประคบเอวผืนยาว ภิกษุณีเหล่านั้นใช้ผ้านั้นรัดสีข้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพลทนาว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งหลายใช้ประคดเอวผืนยาวภิกษุณีเหล่านั้นใช้ผ้านั้นรัดสีข้างเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกา ร, รมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้ประคดเอวผืนยาวรูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตประคดเอวที่รัดได้รอบเดียวแก่ภิกษุณีภิกษุณีไม่พึงใช้ประคดเอวนั้นรัดสีข้างรูปใดรัด ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้แผ่นไม้สาล ร, รัตสีข้างใช้แผ่นหนังรัตสีข้างใช้แผ่นผ้าขาวรัตสีข้างใช้ซองผ้ารัตสีข้างใช้เกลียวผ้ารัตสีข้างใช้ผ้าผืนเล็กรัตสีข้าง ใช้ช้องผ้าผืนเล็กรัดสีข้างใช้เกลียวผ้าผืนเล็กรัดสีข้างใช้ช้องถักด้วยได้รัดสีข้างใช้เกลียวได้รัดสีข้างคนทั้งหลายตำหนิประนามพรธนาว่าฉนหนหนอภิกษุณีทั้งหลายจึงใช้แผ่นไม้สารรัดสีข้างใช้แผ่นหนังรัดสีข้าง ใช้แผ่นผ้าขาวรัดสีข้าง ale, ใช้ช้องผ้ารัดสีข้างใช้เกลียวผ้ารัดสีข้างใช้ผ้าผืนเล็กรัดสีข้างใช้ช้องผ้าผืนเล็กรัดสีข้างใช้เกลียวผ้าผืนเล็กรัดสีข้างใช้ช้องถักด้วยได้รัดสีข้างใช้เกลียวได้รัดสีข้างเหมือนหญิงคารหัดผู้บริโภคกรรม ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้แผ่นไม้สารรัดสีข้างไม่พึงใช้แผ่นหนังรัดสีข้างไม่พึงใช้แผ่นผ้าขาวรัดสีข้างไม่พึงใช้ช้องผ้า รัดสีข้างไม่พึงใช้เกลียวผ้ารัดสีข้างไม่พึงใช้ผ้าผืนเล็กรัดสีข้างไม่พึงใช้ช้องผ้าผืนเล็กรัดสีข้างไม่พึงใช้เกล Maybe, ียวผ้าผืนเล็กรัดสีข้างไม่พึงใช้ช้องถักด้วยได้รัดสีข้างไม่พึงใช้เกลียวได้รัดสีข้างรูปใดใช้ ต้องอาบัตทุกกฏ